ทุกชีวิตมีได้มีเพียงชาติเดียวทุกชีวิตล้วนข้องเกี่ยวชาติอดีตทุกชีวิตลิขิตชาติอนาคตเรากำหนดได้จากชาติปัจจุบัน ชีวิตนี้น้อยหนักสำคัญหนักจะไปสูงไปต่ำดีหรือร้ายจงเลือกเถอเลือกเดินอย่างตั้งใจชีวิตนี้เราเลือกได้เลือกให้ดี ชีวิตนี้น้อยนักสำคัญนักจงยึดหลักกตัญญูกตวเวทิตาต่อชาติาศาตรกษัตริย์บิดอนมานดาดังองค์สังคราชาส่งพรมสอน ชีวิตนี้น้อยหนักสำคัญนักจงยึดหลักกระตันอยู่กระตะเวทิตาต่อชาติศาสตร์กษัตริย์บิดมานดาดังองค์สังขราชาทรงพร่ำสอน ดังองสังคราชาส่งพรำสอน